เพราะความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายและ่มวรปโพธิญาณได้พูดถึงเรื่องอรู ป, ปีกถาคือคถาที่แสดงไปตามลำดับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระยัติตลอดถึงครอบครัวของพระยัติเตือนว่ามีประเด็นที่น่าทำความเข้าใจเพราะว่า ในพระบาลีผู้ปฏิญาน น, นั้นจะใช้ข้อความสั้นๆปรธานากถาศีลกถาสัากาสขกถากามาทีวานากถาเนคามานิสังสกถาแล้วก็ไปจบที่อริยสัตตังสีประการถึงสังเกตว่าธรรมที่ธรรมะที่เป็นส่วนเหตุก็คือทานกศีน ส, สวรรค์นั้นก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากทานและศีล แล้วกามาทีนบนั้นก็เป็นการศึกษาถึงสภาวธรรมให้เข้าถึงความจริงแล้วก็ออกจากการรมตัวอนิสงค์ตัวผลก็คือการออกจากการรมเลยก็ต้องแวะมาคุยเรื่องนี้ซะหน่อยแต่ว่าเน้นไปในเชิงที่เป็นวิชาการซึ่งมีปริยายหลากหลาย อย่างทานเองก็ว่ามาหลายวันเปืี่ยนว่าเวลาส่งจำแนกแสดงไว้ในที่ต่างๆนั้นจำแนกไว้หลายนัยยะด้วยกันแต่ว่ามีจุดหมายปลายทางอย่างเดียวกันคือคนจะพบกันที่ความรุนแรงของกิเลสคือราคะโลภะโทสะโมหะนั้นลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่คุมได้คือไม่ถึงกับเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนบุคคลอื่นในเดือดร้อน แต่โดยเฉพาะฐานนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นศีลเป็นการงดเว้นการเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นในเรืองร้อนถ้ากอบขอบข่ายหรือประยายในการแสดงเนี่ยก็คือปริยายในการสอนแต่การปฏิบัติสํารวมระวังที่จริงก็คือ ทันมียามไม่ว่าเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นไม่ล่วงละเมิดบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงบั ญ, ญเอาไว้ก็ได้ชื่อว่าศีลป้อนเจตนาชื่อวศีลเจตสิกคือบิดาเนี่ยตัวบิรัาคือตั้งใจงดเว้นเนี่ยก็ได้ชื่อว่าศีลความสังวรคือความจำรวมระวัง ระวังตาบบทบัญญัติของศีลบ้างระวอน ร, ระมัดระวังเรื่องอินทรีย์บ้างระมัดระวังด้วยขันติบ้างด้วยสติบ้างด้วยญาณบ้างอ่ะทั้งหมดเนี่ยเขาถือว่าเป็นศีลแล้วเป็นศีลนี่ค่อนข้างลึกซึ้งนะฮะดานาระดับผ้าประการนี้แล้วก็ลึกซึ้งทีเดียวโดยสรุปแล้วก็คือการไม่ล่วงละเมิดบทบัญญัติในศีล สิ่นั้นเมือ่อเรากราบโดยสรุปก็คือบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้มีฐานะเป็นโลกรธรรมคือความผิดโลกโล ก, โลกวัชชะคือมีความผิดที่เป็นสากลหมายความความผิดตัวโลกเช่นการประทุษร้ายต่อร่างกายประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายต่อทางเพศประทุษร้าย ในการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารต่างๆสี่ประการนี้ถือว่าเป็นความผิดสากลเป็นโลกวัชคือความผิด โ, โลกจะบทบัญญัติบางอย่างนั้นเป็นปณิวัติวชากคือมันเป็นกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนของหมนะู่คณะเห็นท่านที่เป็นภิกษุท่านที่เป็นภิกษุณีท่านที่เป็นอุบาสกบาจิกาที่สมาทานสีนแปด คือสีนตั้งแต่ข้อที่ห้าขึ้นไปเนี่ยมันเป็นปณติวัชชะไม่ใช่เป็นโลกวัชชะคือมันเป็นมีโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยแต่ น, นั้นเองคือถ้าเราไม่สมาทานศีลแปดเราก็ไม่ผิดอะไรจะยวตัวอย่างว่าคนกินข้าวเย็นเนี่ยที่จริงก็ไม่ผิดอะไรแต่ถ้าใครเกิดไปสมาทานสีนสรักษาสีนปฏิญาณตนเป็นผู้รักษาสีล สิบแปดแล้วไปยินข้าวเย็นเนี่ยก็ผิดแต่คนทั่วไปเขากินกันน่ะไม่ได้บาปไม่ได้กรรมอะไรมันเป็นบาปกรรมเฉพาะกลุ่มของบุคคลเรดูตัวอย่างง่ายๆว่าวินัยของทหารวินัยของตำรวจจัญญาของแพทย์วินัยของครูวินัยข้าราชการเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านทําไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าหากว่าท่านเหล่านั้นทําแล้วก็ผิด มันเป็นว่นหนเฉพาะตัวท่านแต่ชาวบ้านคนเนี่ยมันมกกักจะเพ่งโทษคนอื่นเป็นลักษณะก่อนมาชอบมองความผิดซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองแล้วท่านก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเดียดร้อนนะนะเจ็จะมดเอาท่าเกิดกินข้าวเย็นเนี่ยท่านก็บาปนันทั้งคนเดียวแต่ตกนรกก็ตกนรกนั่นทั้งคดเดียวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใคร จผิดกับการฆ่าคนผิดกับการลักทรัพย์ผิดกับการว่า ผ, ผ, ผิดทางประเวณีผิดกับการพูดเท็จคนอื่นก็ค่อยเดือดร้อนด้วยแต่เราไม่ค่อยไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องที่มันเป็นปัญหาโลกวัชะคือเป็นปัญหาความผิดตัวโลกแต่เรามักจะเดือดร้อนในปัญหาส่วนตัวของท่านซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราสัางคมก็เป็นอย่างนี้สังคมมีปกติเพ่งโทษคนอื่นไปลักษณะ เพราะเจตนาชื่อสีน่ะเกิดเจตนาประกอบด้วยกรรมบทตเจ็ดประการแรกนะครคือในกรรมบุตรเนี่ที่จริงมันมีสิบประการแต่ว่าที่พูด่องสีนี่มีแค่เจ็ด อ, อย่างอดียวอีกสามอย่างไม่ใช่มันเป็นระดับธรรมะแล้วเป็นระดับควบคุมของอกุศล ว, วิตกแล้วหรือว่าเป็นเจตสิกธรรมที่เกิดขึ้นปรุงจิต มันละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นระดับความคิดคือไม่ถึงก็ผิดศีลหรอกแต่มันก็ทำให้ศีลขุด ม, มัวเศ้อมองไปเหมือนกันพนเจตนาที่ชื่อว่าศีลเจ็ดข้อแรกเนี่ยคือการงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตไทยตายงดเ้นจากการรือสิ่งของที่เจ้าของเขาไปได้ให้ ก็เว้นจากการประพฤติผิดในทางกามก็เป็นจากการพูดเทศจก็เว้นจากการผูดคำส่อเสียดก็เว้นจากการผูดคำหยาบก็เว้นจากการพูดเฟื่อเหลวไหลที่ในส่วนที่เป็นเจตสิกเนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตดีก็ได้ไม่ดีก็ได้นะครเป็นโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกนะฮะเป็นพวกโลภะโทสะโมหะ นั่นเรื่แก่ความโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นจะพะชั้นนี้ไม่ถึงก็ผิดศีลจะพะฉัน้นชั้นคิดนะชั้นคิดอไปในใจเนี่ยไม่ผิดศีลแต่จิตใจก็ขุดหมัวเศร้ามองมีความเล้าร้อนปยาบาติร้องไห้บุคคลอื่นก็ไม่ถึงก็ผิดศีลแต่ว่าผิดธรรมะเป็นเจตสิกชื่อว่าศีลเหมือนกันแต่ว่าเป็นศีลระดับเจตสิก ซึงก็หมายความว่าส้ามารพระนเมองด้วยความมาคาดมาดรรายดวงตาสมึงถึงอาคาดมาดรรายเอออย่างนี้แย่นี้ชื่อว่าเป็นการผิดแล้วก็เห็นชอบตามทํานองของธรรมตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นเจตสิก ค, คือมันเข้าถึงจิตคือถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ละเมิดอีกเจ็ดข้อขั้งต้น หมาความมาถ้าจิตไม่โลภอยากได้ของบุญคงอื่นไม่พยายามตองรายบุคคลอื่นเห็นชอบตามํานองของทำแล้วเนี่ยสีลกี่ข้อกี่ข้อก็ชื่อว่ามีการสํารวมระวังไปแล้วทั้งหมดทีนี้ความสังวรที่ชื่อว่าศีเนี่ยได้แก่การสังวรงหมดบัญญัติที่ทรงบัญญัติเอาไว้จนสังวรตามสี่ขาบททั้งห้าประการก็นี่เรียกว่าสีดสัสังวรเสังวรในด้าน ประสาสัมผัสคือเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจะบุกดมกลิ่นลิ้นริมรวดกายถกตอ้องจัดนอนนอนแข็งอย่างนี้เรียกอินเสียสังวรสังวรไม่ให้เกิดความยินดีหรือความเห็นยาแอบยินร้ายในเวลาตายรูปเป็นต้นเด็กันติ orn, สังวรสังวรด้วยความอดกลั้นความอดทนต่ออารมณ์ยโยโยวยวนต่างๆไม่ให้รั้วมากแก่อารมณ์จนไปกระทําผิดกฎหมายหรือผิดสินธรรมขึ้น แล้วก็สติสังวรสำรเวมระวังโดยมีสติรละเลืกรู้เท่าทันถึงความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆ น, นไม่รู้อำนาจแกอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นมีความหมดกั้งความหมดทนความหมดทันความทนทางความหมดออมรู้จักทนุทน อ, อมน้ำใจตนเองแล้วก็จิตใจบุคคลอื่น ไม่ทำอะไรหเป็นการรุนแรงพูดอะไรเป็นการรุนแรงหรือแม้แต่คิดในลักษณะที่รุนแรงและการต่อไปก็คื อ, อยานะสังวสงรสำรวมด้วยความรู้เป็นลนักษณะรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายนะ่ะทำานองคล้ายๆกับมีฝุนมาแล้วหลีตาไว้มีอะไรมาเข้าตาเราก็ปิดตาไวเป็นต้นเนี่ยคือหมายความว่า เป็นปฏิบัติการที่สอดรับกับสถานการณ์ทึ่เกิดขึ้นในขณะนั้นและสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายแกเราอันี้ก็ชื่อว่าเป็นญาณสังวรคือรู้เห็นตามความเป็นจริงมันเหมือนคนขับรถที่รู้เห็นตาความเป็นจริงตรงไหนคนเลี้ยวตรงไหนควรแซงตรงไหนควรหลบตรงไหนควรชะลอตรงไหนควรถอยตรงไหนควเลี้ยวแล้วก็ว่ากันไปอะนะคือปฏิบัติให้สอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์เหล่านั้น และการไม่ล่วงและเมิดในชื่อว่าศีลหมายความว่าคนที่สมาทานศีลไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีความสารวมระวังไม่ล่วงละเมิดตามบทบัญญัติที่ท่านกําหนดเอาไว้ก็คือว่าเป็นการสํารวมระวังอยู่ในบทบัญญัติของศีล้วยกันกทั้งนั้นทีนี้การการสํารวมระวังในบทบัญญัติของศีล น, นี่แหละเมื่อมีการสํารวมระวังอยู่บ่อยๆ ก็จะทำให้จิตใจไม่มีความเดาร้อนไม่มีความรุนแรงจนถึงกับแสดงออกมาทางกายทางวาจาหรือทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทางกายกับทางวาจานะไม่แสดงออกมาในลักษณะที่รุนแรงแต่าหากว่าทำได้ บุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นกายเป็นผู้มีศีลที่ไม่ล่วงละเมิดทีนี้การสมาทานรักษาศีลเนี่ยมันก็จำแนกเอาไว้เป็นหลายนัยยะด้วยกันคือเรียกว่าศีลทั้งหมดเนี่ยชื่อว่ามีอย่างเดียวเพราะมีอันรับรองตน เป็นลักษณะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นงั้นมวามใครจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ควบคุมตัวเราไว้เราไม่ให้พูดเป็นทุจริตธแม้ทำเป็นทุจริตก็พอแล้วนะสีเนี่ยทุจริตสองประการคือคุมอย่าให้กายทุจริตธวจีทุจริตแต่แน่นอนมันต้องเกิดจากเจตนารือความจงใจความตั้งใจตามสมควร ถ้าไม่เจตนาไม่มีความจงใจไม่ความตั้งใจก็เกิดเป็นศีลขึ้นมาไม่ได้แล้วก็ทา่านจาแนกไว้ในที่ต่างๆเป็นในยะคล้ายๆกับเรื่องทานเหมือนกันนะก็มาศึกษาพิจารณาทุกททตัวเสียก็เป็นการเสริมความรู้ความเข้าใจประการได้ก็เรียกว่าศีลนี้ที่สุดชิ้นมีที่สุดเพราะลาบยศญาติอ ว, วัยวะชีวิตได้แก่ บางคนในโลกนี้ยอมย่อมล่วงละเมิดศีขาบทตามที่ตนได้สมาทานไว้เพราะเหตุแห่งแห่งญาติบางทีก็เจอสตังขึ้นมาจำนวนมากๆเกิดโลกขึ้นมาอยากได้ยอมละเมิดศีล่อ ไ, ได้สตังเหล่านั้นนี้แสดงว่ามีที่สุดพระลาภหรือว่าต้องการหน้ได้ยศไปทำชั่วทำผิดยังไงก็เอาขอได้ยศ หรือว่าเพื่อเห็นแก่ ญ, ญาติก็ไปละเมิดบทบัญญัติของศีลบางทีก็เอาไว้เยาว่าเอาไว้ตรงที่ก็ชีวิตได้แต่ไดนเนี่ยการรักษาศีลถึงเอาก็จริงไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันคือคนที่เอาจริงเอาจังเนี่ยหมายความมายอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเอาไว้ก็เรียกว่าตายเป็นตายยังในชีวิตมันต้องแตกดับอยู่แล้ว แต่ว่ศีลที่พระโลกนาถทรงบัญญัติไว้นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากและรักษาให้บริสุทธิ์หมดจดได้ยากเมื่อมีโอกาสรักษาก็พยายามรักษาเต็มตามสติกำลังเพื่อบริสุทธิ์หมดจดเต็มตามกำลังที่เราจะกระทำได้ศีลไม่มีที่สุดคือบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ความคิดก็ไม่เกิดขึ้นเพื่อจะล่วงละเมิดสิขาบทตามที่ตนสมาทานไว ไม่ว่าเพราะเหตุอะไรก็าตามนะฮะคือคือพวกนี้ตายเป็นตาย mm. ก็จะเอาญาติพี่น้องมาฆ่าหรือจะทําอะไรเราก็จะยึดทรัพย์สมบัติของเราอะไรแต่ไรเราร่วงละเมิดศีลเนี่ยเราไม่เอาจะาไปโกหกร่วงละเมิดเนี่ยวงนศีลไม่มีที่สุดเนี่ยนึกซึ้งมากไม่มีขอบข่ายว่าศีลเนี่ยสาคัญที่สุด ชีวิตก็ไม่สําคัญเท่าศีลลาบก็ไม่สำคัญเท่าศีล ย, กกลย ต, ยก ต, ต์ก็ไม่สำคัญเท่าศีนวิทยะชีวิตอะไรก็ตัดลงไปก็ไปสําคัญเท่าศีลอันนี้เรียกว่าหนึ่งในล้านนะหนึ่งใ น, ลนหลายๆล้านนะดึงจะรักษาได้นะวันบทวันหยัดแต่และบทที่พระญาบุคคลท่านเข้าถึงนี่ที่ท่านทําให้ท่านเป็นพยาบุคคลเนี่ยคือท่านทําในเรื่องที่สามัญช น, นมันทําไม่ได้มีความลึกซึ้งเกินกําลังที่เราจะไป เรา่งปฏิบัติตามท่านใดประการต่อไปศีลแยกเป็นคู่เนี่ยฮะแยกเป็นคู่ก็เป็นเจ็ดคู่ด้วยกันก็เรียกว่าจาริตรศีลคือศีลที่ควรประพฤติตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าสิ่งนี้ควรทาสิ่งนี้ควรทําแล้วก็ทําเป็นพวกอภิสมาจานนะฮะเช่นว่าการเข้าพรรษาการออกพรรษาการภาวนา อการทํากระชินการทําปาฏิโมกอะไรแต่ไหนเนี่ยเป็นบทบัญญตัติเป็นพุท ธ, ธานอุญาตให้ทําถ้าไม่ทําบางอย่างก็ผิดนะฮะแต่ว่าการรับกระชินเนี่ที่จริงไม่ผิดหรอกถ้าไม่ได้รับนะคือมันคิดอู่กับศรัทธาก็ชาวบ้านอยากจะถวายก็ถวายไม่ถวายก็ไม่รู้จะไหว ย, ยังไงแต่ว่าปาฏิโมกนี่ไม่ได้ ไม่ทำปฏิโมกข์ไม่ได้ไม่ข่าปรรษาไม่ได้ไม่ปรนนาไม่ได้อะไรแต่อะไรเนี่ยสังกรรมต่างๆเนี่ยต้องทำแต่เป็นพุทธานุญาตให้ทำวาไิต์ศีลคือศีลที่ไม่ควรประพฤติเป็นข้อห้ามไม่ให้ประพฤติแต่ว่าไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ได้บอกว่าอย่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกรมไม่ได้พูดนะพระพุทธเจ้าไม่ได้พูด พูดมงกุฎเว้นสำรวมระวังอริยสาวกในพระศาสนานี้มดเป็นจากปานาธิบาตมีความไม่พกพ่า จ, จักราวุธเครื่องประหารมีความํารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาบในสัตว์ทั้งหลายคือไม่พูดว่าหยาหรือว่าพูดว่าห้ามแต่พูดงมงกุเว้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรประพฤติไม่ควรกระทำ เด็กคู่ที่สองนี่เขาเรียกว่าอาภิสมาจาริกศีลคือความประพฤติชั้นสูงชั้นพูดดีได้แก่สิขาบทเล็กๆน้อยๆนอกประปาติโมกเนี่ยนะมันแต่เป็นแสดงความเป็นพูดดีแม้แต่ในปาติโมกต่างๆเนี่ยอ้ามเขี้ยวจั บ, จบๆตัามเคียเ้ยวสู้ๆตั้มเขี้ยวเลียวมือให้นั่งกระโยงห้ามนั่ ง, ง, ง, งรัด เ, เ, เข่าอ้าหมูร้อเสียงดังอ้ามอาปากในคําข้าวอยู่ในปากอะไรต่อะไรเนี่ย คือเป็นการสอนแบบสมบัติผู้ดีให้เราปฏิบัติเยี่องผู้ดีทั้งหลายเป็นอภิสมาจารย์คือมัญญาติที่ควรประพฤติแล้วก็เป็นอาธิพรหมจริกะศีลคือศีลที่ส่งบัญญัติซึ่งมีมาในประปาริโมกอันนี้เป็นบทบัญญัติแต่ว่ามันก็เป็นทั้งโลกวัตชาทั้งปัณติวาตชานะฮะโลกวัตชาก็คือผิดสะกล์ปัณติวัตชาก็คือผิดเฉพาะ รวมบุคคลเหล่านั้นที่ทรงบัญญัติเอาไว้ประการต่อไปวิรัติศีลคู่ต่อไปในะวิรัติศีลคือการงดเว้นเช่นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยถือว่าเป็นการงดเว้นเป็นวิรัติวิรัติก็คือวิรัติในในเจ็ดเรื่องที่กล่าวไว้ในตอนต้นนั่นเองพวกนี้ถือว่าเป็นวิรัติคืองดเว้นเรามองเห็นโทษจึงเกิดขึ้นจากการกระทําเช่นนั้นมองเห็นคุณจากการไม่กระทําเช่นนั้นแล้วตั้งใจวิรัติงดเว้น ไม่ล่วงละเมิดไม่ประพฤติไม่กระทาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรเพราะถือว่าประพฤติไปแล้วกระทาไปแล้วจะมีปัญหาอาวิรัติเศียศีลคือไม่งดเว้นแต่ว่าเจตนานะกระเช่นไหว้พระสวดมนต์ทาพิธีกรรมต่างๆเนี่ยไม่ถึงเอ่องดเว้นศีลอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นความปกติกายปกติวาจา เช่นตั้งใจสำรวมระหว่ังฟังเทศอย่างเงี้ยแล้วก็สำรวมกายสำรวมปัจจัยในขณะนั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ได้พึดปิดในกาไม่ได้พูดเทศไม่ได้พูดคำหยาบไม่ได้พูดส่อเสียดอะไรอนะ่ก็อยู่ในในกรอบของศีลอยู่นั่นเองอีกอย่างหนึงเขาเรียกว่าศีนอาศหาและทิฏฐิเช่นรักษาศีนเพื่อหวังเป็นเทวดาเป็นต้นนีก็เรียกว่ า, าตัณหาและทิฏฐิถูกต้อง เป็นการรักษาด้วยอำนาของตัญหาคือไม่ได้ถือว่ามันเป็นบาปหรือยังไงก็ดีกว่าไม่รักษาศีลแต่ถ้าเทียบถึงศีลที่ไม่รักษาด้วยตาณาทิฏฐิเนี่ยมันก็ดีกว่าคือไม่กล่อยไม่ปล่อยความอยากครอบงําไม่จะลงทุนทําความดีโดยหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นแต่ว่าไม่นว่เป็นความดีแล้วก็ทำแต่นั้นเอง มันเหมือนกับเราบ่ายหน้าเพื่อจะไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยอยากจะถึงหรือไม่อยากจะถึงพอถึงเมื่อก็ถึงนะฮะไม่จําเป็นจะต้องอยากหรือไม่อยากอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอนิสอนิสสะสีตศีลคือศีลไม่ต้องเกี่ยวข้องโดยตัณหาแต่ว่ามุ่งไปสู่ความสงบจริงๆมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานมุ่งไปสู่ความสงบเย็นจริงๆ ชุดต่อไปเขาเรียกเป็นคู่คู่นะเรียงก็เป็นคู่คู่เป็นศีลมีบุคคลสมาทานจํากัดเวลาเช่นเนี่ยจินคนสมาสิยทานศีลนึสส่งบทสุดเนี่ยวันหนึ่งก็คือหนึ่งนะเวลาวันนี้เพราะในช่วงวันหนึ่งก็คือหนึ่งนั้นท่านจะไม่ละเมิดหลังจากนั้นพวกที่เป็นโลกวัชชาไม่ใช่พวกที่เป็นปณัตติวัตชาเนี่นท่านละเมิดก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บาปกรรมอะไรแต่ปณัตติวัติชาอย่างละเมิดไม่ได้นะฮะอย่างเป็นบาปอยู่ จนเราอกเราเลิกสมาทานศินแปดแล้วแต่เราคาดสัตว์เรารักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จเนี่ยมันก็เป็นบาปอยู่แต่ถ้ากินข้าวเย็นไม่เป็นบาปดูพร่ำนากับร้องประคบดนตรีก็ไม่เป็นบาปนอนมตินอ น, น, อนสูงใหญ่ก็ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่ได้สมาทานสินแปดพวกนี้เป็นปณิติวัชชะคือมีโทษตามบทบัญญัติของพระวินัยแต่นั้นเด้ง ใจประการหนึ่งศีลนี่รักษาจนกว่าจะสิ้นลมปราณ น, นั่นี้รักษาจริงเจริงเอาจังไม่นับปันเวลาหรอกเราตายเป็นเกณฑ์กันรักษาศีลสงบประนีเดี่ยเย็นจนกว่าจะสิ้นลมปราณเมื่อสิ้นลมปราณแล้วพักพักว่ากันนั่นเขาเรียกว่าเป็นการรักษาศีลอยู่สองแนว อีกแนวหนึ่งเขาเรียกว่าศีลมีความเห็นต่อลาบยศสรรเสริญอวัยวะและชีวิตเป็นที่สุดแล้วก็ศีลที่ไม่มีความเห็นต่อคือหมายความว่าแม้จะตายก็ไม่ยอมทํำลายศีลที่พระโลกนะสุมมกบัญญัตไว้คือข้อความเนี่ยบางทีก็เรียกชื่อแตกต่างกันแต่ว่าก็าขอครอบคลายความหมายก็เป็นไปในทนํานองเดียวกันเพราะบําายๆกฐานนะคือพูดง่ยว่าทําความดี การทำความดีมันอยู่ในโครงสร้างเดียวกันด้่ยนั้นทั้งทั้งนั้นนั่นก็จะฐานหรือศีลก็ตามเีย แ, แต่ข้อความบางอย่างมันมีความเข้มข้นแตกต่างกันต่งนั้นเองต้องฟังทงั้งหลายใต้รมปปฏิญาณในวันนี้ขอุตติไว้โดยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงด ง, งามไปบุญในธรรมจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี